ภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้รวบยอดว่าทุกสิ่งบังคับไม่ได้วงเล็บเปิด20กันยายน2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที50วงเล็บปิดปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลาจิตบางดวงมีสติแต่ไม่ได้มีปัญญาแต่ว่าอาศัยการสะสมเชิงปริมาณนะเห็นซ้ำ ซ, ำ ซ, ำซำ้เวลาเกิดปัญญามันพลิกเป็นคุณภาพอย่างฉับพลันสะสมเชิงปริมาณทีละเล็กทีละน้อย ดูไปดูไปเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนฉับพลันเกิดความรู้ความเข้าใจฉับพลันไม่ได้เกิดตลอดเวลาไม่ใช่แวบแวบแวบอย่างนี้เวียนหัวตายนานๆปิ๊งขึ้นมาสักทีเราภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้รวบยอดว่าทุกสิ่งบังคับไม่ได้เราเรียนภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อเอาอะไรถ้าแค่ตั้งเป้าเอาความจริงนะ ง, ง่ายอะไรก็ได้